สวัสดีวันนี้ก็จะพูดเรื่องมงคลต่อจากมาตาปิตุปถานังพุธดารัตสังโฆต่อไปก็คืออนาคูลาจะกรรมมันตาทำไมถึงเรียกว่าอนาคูลาจะธรรมันตาก็หมายความว่าทำงานไม่ปกติคือทำให้งานอากูลพัด วันประกันพุ่งทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนคำข้อนี้เพราะว่าพระองค์ต้องการจะให้ทั้งคารวะทั้งพระภิกษุจะต้องสาเหนียบในการที่ทำงานต่างๆนั้นไม่ใช่ทําแล้วสมควรที่จะทําไห้สาเร็จก็ทอดทิ้งหรืออย่างที่ท่องมนท่องอะไรเหล่านี้ท่องไปแล้วก็ขี้เกียจไป เเรียกว่าเป็น อ, อนาคูลาจากามัตาตลอดจนกระทั่งการร่ำเรียนสมาธิภาวนาทำก็สักแต่ ว, ว่าทำแล้วก็บางทีก็ปล่อยเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้เรียกว่าอนาคูลาเจากามันตาการงานต่างๆทีเ่เขาทำมาหาเลี้ยงชีพ เขาก็จะต้องทำงานเนี่ยให้มันเป็นการต่อเนื่องไม่ใช่ทำทำแล้วก็ทิ้งขี้เกียจแล้วก็ทำเพราะว่าการที่คนจะขี้เกียจแล้วไม่ทำการทำงานเรียกว่างานมีอยู่แต่ไม่ทำอย่างนี้เรียกว่าอนาคุลาจะกรรมมันตาคือมันไม่เป็นมงคลกับตัวของบุคคลผู้นั้นเพราะฉะนั้น พระองค์จึงได้ทรงแสดงว่าวิริเยนทุกขมัติเจติคนจะร่วมทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียร น, นั้นอ่ะคือความเพียรเป็นการต่อเนื่องมันก็จะบรรลุได้ถ้าทําศัพ์แต่ว่าทํามันก็เรียกว่าอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็เลิอกอย่างนี้ก็เรียกว่าอนาคุลาเจตมันตา ผลที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็ไม่เป็นการสมควรสมควรที่จะได้ซักแสนยูนิตมันก็ได้สักร้อยซึ่งมันก็น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นในคําสอนที่พระองค์แสดงข้อนี้นั้นคือตักเตือนให้คนสามารถทํางานนี้ไปตามจุดประสงค์ให้ได้จุดประสงค์ขึ้นมาไม่ปล่อยงานให้ ร่าชาการปล่อยงานให้ราชานั้นอย่างการทำสมาธิปล่อยงานให้ก็เป็นเป็นการงานอันหนึ่งสมาธิเป็นการงานที่จะสามารถสะสมพลังจิตแต่เมื่อเวลาที่มีโอกาสที่ทำสมาธิแล้วก็ไม่ทำหรือว่าทำสมาธิไปแล้วก็ไปหลงความสุขซึ่งมันเป็นการไม่ถูกต้อง ถ้าหากว่าพิจารณามากเกินไปท่านบอกว่าจะเกิดความฟุ้งซ่านถ้าหากว่าสมาธิมากเกินไปจะเกิดความจะเป็นโมหะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางคนจึงได้พากันหลงไหลอยู่ในความสุขของสมาธิทำให้เกิดการเลั่อนช้าต่อการปฏิบัติ ทำให้สูงยิ่งขึ้นอย่างเนี้ก็มีมากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเข้าใจว่าการทําสมาธินั้นต้องเป็นการต่อเนื่องเพราะจึงเรียกว่าไม่เป็นอากรุณที่อนาครุลาจะกรรมันตานเขาเรียกว่าการงานเป็นอากรุณหมายความว่าถอดทิ้งไม่ทําเป็นการต่อเนื่องแทนที่จะสําเร็จ หรือว่าทําไปก็ในทางที่ผิดขนทางแล้วก็เชื่อว่าเป็นขนทางที่ถูกก็เป็นอนาคูลาเจกรรมันตาถ้าหากว่าเราจะอธิบายอนาคูลาเจกรรมันตานี่มีการอธิบายได้มากมายเราจะสังเกตได้ในตัวของเราเนี่ยเราได้ทํางานเป็นอากมามากมายแล้วเราก็ ไม่ประสบความสำเร็จมามากมายและเราไม่ได้ทำงานเป็นอากูลคือหมายความว่ามีการทำเป็นการต่อเรื่องสร้างศีลสมาธิปัญญาสร้างคุณงามความดีเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นทางที่เป็นมงคลคืออนาาคูลนะเบอกว่าการงานไม่อากูลแต่ที่อธิบายไปนี่คือการงานอากูล อากูนี่เป็นภาษาบาลีเขาก็อธิบายถึงว่าการงานที่ทอดทิ้งเรียวกว่าทำแล้วก็ทิ้งไม่เป็นการต่อเนื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นความสําเร็จมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิพเมวานาหรือไม่น่าหรือไม่ว่าจะเป็นการงานเที่ท่านท่างหลายทํากันอยู่ทุกคน ต้องพาที่ได้รับความสำเร็จคนเน่เมื่อทำงานในชีวิตนี่ได้สำเร็จมันก็มีน้อยคนที่ไม่สำเร็จนั่นมีมากกว่าคนที่จะสำเร็จงานบรรลุผลมันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นความเป็นมงคลแก่บุคคลพวกนั้นมันก็มีน้อยคนที่ทำงานสำเร็จก็ถือว่าเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดสวัสดี s Ah.